พลังให้พลังให้เป็นพลังที่ให้เป็นพลังทองให้เป็นพลังธรรมเราเรียกว่าพละหา้าพละหา้าพละหมายถึงกำลังหนึ่งสัตตภะ สองวิดยะภราสามสติภระสีสมาธิภราฮาปัญญาภราภระคือกำลังศรัทธาศรัทธาหมายถึงความเชื่อความเริ่มใส ในคุณของพระรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เราต้องเชื่อว่าคุณเหล่านี้ยังมีอยู่ในโลกใบนี้ คุณพระพุทธเจ้าว่าโดยย่ อ, อมีอยู่สามคนหนึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาทิคุณอันจริงสองพระองค์ทรงเมพระปัญญาที่คุณอันจริง3พระองค์ทรงเมพระ พอได้สุดทิคุณอันจริงพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณพอพระองค์ตัดจะรู้แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งพระองค์ไม่คิดจะสอนใคร เพราะธรรมะของพระองค์นี่มันลึกซึก้งย่าที่บุคคลจะรู้ตามได้อยา ชิบหายแล้วชิบหายแล้วมาให้ความว่าถ้าพระองค์ไม่สั่งสอนคน ห, นหรือสัตว์โลกเนี่ยตั้แต่นรกโรคมนุษยโรคเทวโรคเขาเรียกว่าสัตว์โลกสัตว์โลกเป็นไปนตามกรรม สูงขึ้นไปเขาไม่เรียกว่าสัตว์เขาเรียกว่าพระโสดาบันพระสกิตาคามีพระนาคามีพระอรหันต์พระเอ็นพระพรหมอะไรก็ว่ากันไปนี้ไม่ใช่สัตว์โลก เราเนยังอยู่ในกลุ่มของคำว่าสัตว์โลกเพราะยังเป็นมนุษย์เป็นคนยังไม่ได้เป็นภริยะเจ้าพราะพร่มจึงมาอาราธนาธรรม เป็นแมก่อนพระเจ้เทิก็พระมาจโรกาธิปฏิสามปติกัรงานชรีอันติวรังอยายชาทสันติทัคืออาราธนาให้พระองค์ทรงแสดงธรรมให้แก่สัตว์โลกผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมยังมีอยู่ นิดนี้พอได้รับแสงอรุณก็สามารถบานได้เหมือนกับคนที่มีบุญบา ร, รมีเต็มใกล้เต็มแล้วได้ฟังธรรมของพระองค์ครั้งสองครั้งนั้นก็ได้บรรลุเป็นภรรยาบุคคลตามพุทธประวัตินะ สแสดงทำแต่ละครั้งเนี่ยต้องมีคนบรรลุธรรมเดีย๋ยวนี้เราฟังเทศเป็นร้นอยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งก็ยังไม่เห็นไปไหนมาไหนเลยมาให้ความว่ายังไม่บรรลุธรรม วิปติตันยูพวกที่สองพวกนี้ต้องสัง่งแล้วก็สอนอบรมพวกที่สองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้พวกที่สามพวกในา ย, ยาตพวกนี้ต้องอบรมต้องสัง่งต้องสอนต้องดึง เรียกว่าต้องจูงเงินไปเลยดังทีดึงจนหัวขาดก็ยากที่จะบรรลุรมแต่ก็มีโอกาสพวกที่สี่ใพวกปัฏฐะปรมะพวกนี้ไม่มีโอกาสที่จะพ้นน้ำได้เลย เพราะมันติดอยู่กับเงาบัวนะเนีอยอการเป็นอาหารของเต่าของปลาไปอุปมาเหมือนกับคนที่มืดบอดไม่สามารถที่ แสงธรรมจะส่องเข้าไปในใจได้เห็นไม่ดูขขาวสงการข่ากันต่อยกันตีกันยิงกันให่ไหมไ ม, มีอะไรลนะ่ะพวกนี้ไม่มีการระงับโทสะ พอเกิดขึ้นแล้วมันก็ตีกันต่อยกันชกกันแทงกันยิงกันฮะโอ้เดีวนี้สัตว์โลกเป็นไปไกลคือไม่มีศีลไม่มีธรรมฉะนั้นโลกทุกวันนี่จึงอยู่ยากแม้ถึงโลก ภายนอกนะแต่ต่อไปคนจะเหลือน้อยที่สุดสามลมโพทองใครที่มีกายมีวิจารแล้วก็มีใจอยู่ในคุณพระพุทธอยู่ในคุณพระธรรมอยู่ในคุณพระสงฆ์นี ก็จะรอดจากภัยตั้งหลายภายภายนอกภัยภายในภัยภายนอกก็ได้แก่อุทุกภัยวาตภัยอากีภัยจนละภัยนี่คือภัยภายนอก ที่เราจะต้องประสบพบเจอในชีวิตของเราโดยธรรมชาติหนึ่งที่ฝนมาลมมาเขาเรียกว่าตะไคร้พัดกิ่งไม้ต้นไม้หัก ไฟทีไฟก็ไหม้บ้านเป็นร้อยหลังพันหลังลอากีไฟกรทุกกับไัยน้ำท่วมจนลราไผเดือนนี้คนบรรักจนเยอะเศรษฐกิจก็แย่ว่าโดยรวมนะ ในโจรขโมยมันก็เยอะสิมันไม่มีจะกินกันนะทำยังไงอย่างคนเราก็ต้องเดินลนหากินยืมใครก็เขาก็ไม่ให้ก็ต้องจีต้องปนต้องคากันเอาเพาตัวเองอยู่รอดรี่ก็เรียกว่าภายัยภายนอก ภา ย, ยในใจก็คือความทุกข์นี่แหละความโรธความโกรธความหลงมันภา ย, ย, ยในใจนะมันเราให้ทุกทุกวันเลยอ่ะเ็คุณธรรมมันไม่มีพลังสู้กิเลสไม่ไหว มันก็เลยทุกไม่มีที่สิ้นสุดทุกตั้งแต่เช้ายันเยน็นบางทีหลับไปก็ยังฝันทุกอีกทีก็นอนไม่หลับเป็นโรคไมเกรนอีกเห็น ไ, ไหมมีทั้งภายภายนอกมีทั้งภยภายใน ตองอาศัยคุนพระพุทธคุนพระธรรมคุนพระธรรมเป็นสวาขาตธรรมธรรมที่รักษากายธรรมที่รักษาวาจาธรรมที่รักษาใจไม่ตกไปสู่ที่ชั่วเอเมนไหมละ่ะ มันมีทารักษาไหมละ่ะทุกวันเนี่ยถ้าไม่มีทารักษากายว่าใจาใจก็ตกไปสู่ที่ชั่วที่ชั่วคืออะไรที่ชั่วก็คือความผิดศีลผิดธรรมผิดกฎระเบียบผิดกฎหมายบ้านเมืองที่ชั่ว อันตลายน่าจเียเมื่อก่อนวัดเราเนี่ยนะใครมาก็รับหมดนี่ชั่วไม่รู้ก็มาอยู่วัดคอยดีกันแต่ต่อไปนี้ไม่ได้แล้วต้องสอบประวัติหมดเลย จะมีคนชั่วสมมุติสมมุติมาอยู่เพียงคนเดียวเนี่ยทำให้วัดวุ่นวายกันทั้งวัดเลยนะ่ะฉะนั้นก็ต้องเอาบัตรประชาชนแล้วก็โทรไปกรมตำรวจให้มีประวัติชั่ว เราก็ไม่รับไม่ปวดใอมันจะมาสร้างปัญหาให้กับหมู่คณะที่เขาดีๆคนดีๆเนี่ยทอแท้ง่ายแพ้ง่ายเห็นไม่ดีไปแล้วเว้ย แต่คนชั่วเนี่ยมันท น, นก็มันชั่วมาหลายแล้วเนี่ยมันมันทนได้คนดีๆเราทนไม่ได้ดังนั้นเราต้องเข้าหาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณประสงค์สงสาวกของพระพุทมีแบบเจ้า มีสคู่ปบุคคลดังนี้หโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสสกิทาคาเมมักสกิทาคาเมผล3อนาคามิมมักอนาคาเมผลสอารัตมักอารัตผลสี่คู่ปดบุคคล มัดหมายถึงการกระทาเช่นเรามาไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมนั่งสมาธิแบบนี้ก็เรียกว่ามัดผลก็คือเกิดที่จิตใจจิตใจสงบจิตใจมีความสุขนี่เก็เรียกว่าผลมัดผลมันจึงติดกันคำว่ามัดผลมัรียบเสมือนเราเอา มือไปจิ้มปลั๊กไฟเนี่ยพอไฟสว่างก็เรียกว่าผลตอนเอามือไปจิ้มเดี๋ยวก็เรียกว่ามัดมัดผลอุปมาเมืองพระทีละครั้งตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนค่าเนี่ยการเที่ยวมือไปจับไม้เนี่ยฟาดลงไป ก็เรียกว่ามัดผลก็คือแง่แง่แง่แง่แง่แง่แง่ น, น, นี่คือผลมัดผลอุปมาอีกอย่างเหมือนกับเอาน้ำใส่ตุ่มเต็ม ก้อนเป็ตีเขาเรียกว่ามักผลก็คือน้ำไหลโจออกมามักผลพวกเราเนี่ยเหมือนกันที่เรามาบวชมาปฏิบัติที่วัดเราเนี่ยจัดงานเยอะที่สุดหมายถึงงานอบมรมเลยนะเกือบทุกเดือนหรือทุกเดือนเลย ก่อนรับเด็กนักเรียนโอ้เยอะแยะเลยแต่อตอนหลังเนี่ยสุขภาพหลงพ่อไม่ดีแล้วก็เลยไม่รับเด็กไปเล่นกับเด็กไม่ไหวเด็กเนี่ยมันต้องมีนิทานบ้างอะไรบ้งางทําะไรกับว่าเลาะบ้างอะไรบ้างไปอย่างนั้นก็เป็นเด็กอ่ะกลับไปเป็นเด็กอ เราก็เลยไม่ไม่สู้มาอบรมที้ง0ปเนี่ยรัดมางคนเนี่ยเต็มหมดเลยเนี่ยคนดีก็มีมากไอ้คนชั่วก็มีน้อย วนชั่วเพราะอะไรเวลาเราเทศมันคุยกันเล่นกันเขาเรียกว่าพวกชั่วกันไม่เคารพธรรมไม่เคารพพระธรรมก็ให้มาฟังจะได้รู้จะได้เข้าใจมันไม่ฟังมันมาคุยแข่งเลย เราก็ไม่เอาเลือกกลุ่มบุคคลเอากลุ่มที่เขาอยากปฏิบททัติธรรมจริงๆอย่างพวกเราอย่างเงี้ยก็อพอพอช่วยเหลือกันไปได้กลุ่มที่เขาไม่ได้สนใจอะไรโดยเขาโดนบังคับมาอะไรเงี้ยเราก็ไม่เอา คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงค์เน่มันต้องมีอยู่ที่กายวาจาจใจเราตุบเมื่อเลยเรามีที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเวลาเราใกล้จะตายสมมติเรารู้ ไม่มีเวทนามากันเราก็สามารถนึกถึงคนพระพุทธคนพระธรรมคนประสงค์ได้พอะนึกแก่เนจิตก็จะไปสู่สุขติสัมปไรยภพไปสู่ภพภูมิที่เป็นสุขแต่ถ้าเราไม่มีที่ยึดที่เกาะที่คิดที่ระลึก จิตเก็จะตกไปสู่ที่ชั่วหมายถึงไม่มีที่ยึดเลยไงที่ชั่วคือนรกเปรตอสุรกายสเดรชาติสีภูมนะินตกไปสู่ที่ชั่วหมายถึงจิตใจจิตใจแต่ถ้าเรามีที่ก่อที่ยึดคนพระพุทธคนพระธรรมคนพระสงฆ์ แล้วก็จะมีที่เกาะที่ยึดตายแบบมีที่พึ่งกับตายแบบไม่มีที่พึ่งจะเอาอะไรอ่ะตายแบบมีที่พึ่งเนี่ยมันสุขใจตายแบบไม่มีที่พึ่งเนี่มนยบบ ม, มันปวดแล้าจิตใจมันปวดเล้าตอนใกล้จะตายเนี่ยมันปวด ใจฉะนั้นพวกเราเนี่ยดีแล้วเขาเรียกว่าไม่ประมาทมีโอกาสก็เข้าวัดฟังทมปฏิปิธรร ม, รรมที่วัดไหนก็ได้วัดบ้านเราก็ดได้หรือที่ไหนก็ได้ที่มีครูบาอาจารย์เาแนะเขานำเขาสัง่งเ็าสอนเขาอบเขามจะได้รู้จะได้เข้าใจธรรมะนั้น เราก็จะได้นำไปปฏิบัติแบบถูกต้องไม่ผิดไม่เพี้ยนตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าต้องมีสตธาพละกอที่สองก็ต้องมีวิริยะภลระความเพียรต้องสม่ำเสมอ ยกเว้นแต่สุขภาพร่างกายมันไม่ดีแต่เราก็ต้องปฏิบัติได้ปฏิบัติได้จนตายอ่ะนอนอยู่กัเตียงเราก็ภาวนาได้ไงมันตายไปกับพุโทโธต้องมีความเพียรความเพียรนี่สสำคัญ วันคืนสิี่ชั่วโมงนะเนี่ยใครทันที่จะฉลาดใช้เวลาเนี่ยที่ธรรมชาติให้มา24สี่ชั่วโมงใครจะใช้เวลาไปสร้างคุณงามความดีให้มากกว่าความชั่วนั่นก็แล้วแต่คนแล้วแต่เราอีก่ ถ้าท่านรู้จักใช้เวลาชีวิตจะมีค่ายิ่งกว่านี้ชีวิตเราจะมีค่าเพิ่มค่ามากกว่าปัจจุบันนี้ถ้าเรารู้จักใช้เวลานะเช้าสายบ่ายค่ากลางคืนทำอะไรเราก็แบ่งเวลาแบ่งเวลามา ไหนก็ได้ธรรมะมีทุกทีทุกวัดข้อ ท, ที่3 ส, สติปะรักเราต้องมีสติยืนเดินนั่งนอนที่เราฝึกกันเนี่ยข้อ ท, ที่4 ส, สมาธิปะระเนี่ยต้องก่อนตายเนี่ยต้องฝึกให้จิต สมาธิบ้างมันจะได้ไปสู่พบภูมิที่สูงกว่านี้พบภูมิหมายถึงที่อยู่ของใจที่อยู่ของจิตการมาพบรูปพบอรูปพบเราอยู่ในการมาพบพบตำ่ำดันั้นต้องเราพัฒนาขึ้นไปสู่ รูปภพคือสมาธิเขาเรียกว่ารูปภพพัฒนาไปถึงขั้นอรูปภพอรูปภพเราพัฒนาได้เนี่ยใครจะมาพัฒนาเราพัฒนาให้จิตเรามีสมาธิตละข้อสุดท้ายคือปัญญานี่ มีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้โดยที่บางทีเขาไม่ต้องทำงานอะไรมากมายเลยก็มีปัญญาเฉลียวฉลาดเขาไม่ฉลาดทรัพย์สินเงินทองอยู่ทั่วออกไปาะว่าเรามีปัญญา ยอมหาสับได้อันนี้พระพุทธองค์ทรงตัดเองนะอาชีพมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นอาชีพมันจะไม่เหมาะกับเราสักอาชีพเียเหรือสำคัญที่เราไม่สนใจนะอยู่ไปวันวันนึงจนอยู่ยังไงก็จนอยู่ยังงั้นแบบนี้ ชีวิตเราก็อยู่แค่นั้นไม่ไปไหนจะนั้น้เราพัฒนาไปในทางธรรมดีที่สุดด้วยความปรารถนาดีเช้านี้ก็ให้พาระกำลังญาติโยมผู้ปฏิบัติชอบไปปิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตเรา เราท่านต่างหลายก็จะได้ส่งความมุ่งมั่ปรารถนาทุกประการขออนนาถ่งคุณพระศิริรัตน์ไตรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงปกปักรักษาคุ้มครองครอบครัวของท่านในปีใมนี้ในสงการปีนี้ให้ท่านจเจริญด้วยอายุวันณนะสุขภราตปฏิปันธน์นาสารน ให้ท่านได้สับสมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดทูสาน